อุปชาไม่รับการขอขมาสมัยนั้นอุปชาทั้งหลายถูกสัตว์วิหาริกขอขมาก็ยังไม่ยอมให้ขอขมาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปชารับการขอขมาอุปชาทั้งหลายก็ยังไม่ยอมให้ขอขมาอยู่เช่นเดิม พวกสัตว์ทวิหาริกพากันหลีกไปเสียบ้างศึกเสียบ้างไปเข้ารีดดิรัตีเสียบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอุปชาผู้ที่สัตว์ทวิหาริกขอขมาจะไม่รับการขอขมาไม่ได้รูปใดไม่รับการขอขมาต้องอบัตรทุกกฏ